สองสามวันก่อนนะมีข่าวเล็กๆอยู่ข่าวหนึ่งที่จริงมันก็ไม่เล็กนะสำหรับคนที่เกี่ยวข้องนะรถายแดงเนะป็นรถเก๋งหรือว่าพึ่งถอยออกมาได้ไม่นานปรากฏว่าไปชน Barrier นะตรงทางด่วนหรือว่าถนนด่วนนะรถพังจับเยินนะ แต่ที่มันแยวนะคือว่าเด็กเนี่ยลูกชายเจ้าของรถที่นั่งไม่รู้อยู่เบาะหน้าหรือเบาะหลังเนี่ยพอรถกระแทกกับแบริเออร์เนี่ยเด็กก็พุ่งชนกระจกออกไปข้างนอกเลยก็ไม่ทราบเป็นตายไยดีอย่างไรก่อนหน้าที่ก่อนหน้านั้นไม่นานาไม่กี่วันเนี่ย เจ้าของรถก็เพิ่งนิมนต์พระมารถน้ำมนต์ให้กับรถมีการเขียนยันแล้วก็มีการพันสายสินเป็นสายสินก็หนาทีเดียวนะพันใต้หรือรอบพวงมาลัย แต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่ว่าตาว่า น, นิมนพระมาพรมน้ำมนเขียนยันแล้วก็เอาสายศิลมาพันรอบพวงมาลัยนี้เพื่ออะไรนะก็เพื่อไม่ให้เกิดเหตุร้ายอันตรายแต่แค่ไม่กี่วันนะก็ เหตร้ายก็เกิดขึ้นแล้วมันก็แสดงว่าเนี่ยน้ำมันก็ดียันก็ดีสายสินก็ดีแตไม่ได้ช่วยป้องกันอันตรายให้กับเจ้าของรถได้เลยแล้วข่าวเขาว่าเนี่ยที่อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เพราะว่าอยู่ๆเนี่ยรถก็หยุดกระทันหันหรือว่าเรียกว่ามีการล็อกรถขึ้นเพราะว่าได้สายสินที่ เป็นพวงใหญ่เนี่ยนมันเกิดสอดเข้าไปนะตรงใต้พูงมันเลก็ทำให้เกิดการล็อกรถนะโดยอัตโนมัติรถที่พุ่งด้วยเล่นด้วยความเร็วสูงก็เลยหยุดหรือชะลออย่างรวดเร็ ว, วก็เลยไปชนนะกับคอนกรีตข้างทางรถพังแล้วก็เกิดความสูญเสียขึ้นมา อันนี้มัก็ให้ข้อคิดนะว่าเนี่ยสิ่งทีเ่เคยคิดว่าเป็นมงคลนะที่จะช่วยป้องกันอันตรายได้เนี่ยนอกจากป้องกันไม่ได้แล้วเนี่ยยังทำให้เป็นสาเหตุของอุบัติเหตุซะอีกนะเพราะถ้าไม่เอาสายสินพวงใหญ่ๆเนี่ไปพันรอบหรือใต้พวงมลัยเนี่ยมันก็คงจะไม่มีอุปัติเหตุนี้เกิดขึ้น นี่ก็เป็นอนุสตินะุทาหรนสอนใจนคนที่หวังพึ่งอำนาจนศักดิ์สิทธิ์ของสิ่งเหล่านี้ว่านอกจากไม่ช่วยแล้วไม่ช่วยป้องกันอันตรายแล้วบางทีอาจจะเป็นตัวเร่งให้เกิดอันตรายขึ้นกนได้มัน ค, คล้ายๆกับเรื่องของ วัยรุ่นคนหนึ่งนะไปกินเลี้ยงไปฉลองมีปาร์ตี้กันก็กินเหล้า ก, กินเหล้าจนเมาหรือมึนนะนะตอนไ้พอนะขับรถเองเนี่ยกลับบ้านปราก็ว่าพอขับไปได้ สักระยะหนึ่งเนี่ยก็เกิดอาการอยากจะอาเจียนก็ลงจอดรถเนี่ยไปอาเจียนอยู่ที่ทางน้ำเนี่ยท่อทางระบายน้ำเนี่ยข้างทางระหว่างที่อาเจียนเนี่ยพอก้มลงไปปรากฏว่าพระสมเด็จเนี่ย ที่ห้อยคอไว้นี่ก็เกิดหลุดจากคอตกลงน้ำอันเด็กคนเนี้ก็เกิดเสียดายเพราะผาสมเด็นนี่ก็ราคาแพงขึ้นด้วยก็ลงไปงมนะถ้า น, น้นี่ตัวนี้ก็มึนเมาเพรากว่าจมน้ำตาย พระสมเด็จเนี่ยคลยๆก็ห้อยเพราะหวังว่าจะเกิดโชคลาภนะจะป้องกันอันตรายแต่นอกจากป้องกันเหตุร้ายไม่ได้แล้วยังเป็นสาเหตุนะที่ทำให้หนุ่มคนที่เสียชีวิตเนี่ยเพราะถ้าหากว่าพระสมเด็จไม่ตกลงไปในน้ำเนี่ยหนุ่มคนนี้คงจะไม่ ลงไปควนหาทั้งที่เมาเราก็เลยตายถึงศักดิ์สิทธิ์เนี่ยหรือว่าวัตถุมงคลเนี่ยผู้คนก็เชื่อกันนะ ว, ว่าจะช่วยปกป้องอันตรายรือทำให้เกิดโชคลาภขึ้นได้แต่บ่อยครั้งเนี่ยนะมันก็เป็นเหตุ หรือเป็นตัวเร่ง น, นะทำให้เกิดเหตร้ายถึงกับชีวิตนะอันนี้พ่ออะไรนะสาเหตสำคัญก็เพราะว่าคนเนี่ยไม่ได้ใช้สติไม่ได้ใช้ปัญญาไปหวังพึ่งพาอำนาจของสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากเกินไปอย่างถ้ามีปัญญาเนี่ยก็คงจะสุขคิดนะว่าการที่เอา สายสินพวงใหญ่ๆเนี่ยไปพันรอบพวงมันลายเนี่ยมันอาจจะกลายหรือก่อให้เกิดเหตุร้ายก็ได้ถ้าสายศินถ้ามันตกเข้าไปหรือว่าเข้าไปอยู่ใต้พวงมันลายเนี่ยก็าจะเกิดกลไกาบางอย่างที่ทําให้รถเนี่ยมันที่กําลังแล่นอยู่อย่างรวดเร็วเนี่ยมันหยุดสะดุดขึ้นมา หรือถ้ามีสติเนี่ยนะหนุ่มคนนั้นก็คงจะไม่ไม่พรีผามนะกระโดดลงไปในในทางระบายน้ำนั้นและที่จริงถ้าไม่เมาเนี่ยนะนอกจากจะไม่พีผามหรือถึงจะโจลลงไปก็คงจะไม่พลาดท่าเสียทีนะจนเสียชีวิต แต่ว่าเป็นเพราะตอนนั้นมืนเมานะขาดสติแล้วในความเสียดายนะเสียดายพระสมเด็จราคาเป็นแสนเป็นล้านก็เลยไม่ได้คิดหน้าคิดหลังสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะมันจะมันจะมีคุณนะก็ต่อเมื่อผู้ใช้เนะี่ยหรือเจ้าของเนี่ยนะ มีสติมีปัญญาแต่ว่าบ่อยครั้งเนี่ยพอเราได้ของเหล่านี้มาเนี่ยนะมันก็บทบังสติหรือปัญญาหรือถ้าว่าไม่มีสติปัญญาตั้งแต่แรกเช่นมึนเมาเนี่ยไอ้สิ่งที่มีเนี่ยนะ แม้จะขลังศักดิ์สิทธิ์ยังไงเนี่ยก็อาจจะกลายเป็นโทษบางทีอาจจะไม่ให้ตายเพราะจมน้ำนะแต่ว่าตายเพราะว่าผู้ร้ายเนี่ยนะเขามาละมาดึงเข้าไปเพราะเห็นว่าเป็นของมีราคาพอสมเด็จเนี่ยราคาเป็นล้านแล้วอิ่งเจ้าของเนี่ยมึนเมา มันก็เปิดโอกาสให้ผู้ร้ายเนี่ยช่อโอกาสแย่งชิงพระสมเด็จพอมีการต่อสู้หรือเพราะอีกฝ่ายหนึ่งมึนเมาด้ดยแล้วเนี่ยก็อาจจะเปิดช่อยเขาทำร้ายถึงตายได้มีสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะแต่ถ้าไม่เกิดหรือไม่มีปัญญาไม่มีสติเนี่ย มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะแถมจะเลี่ยงให้เกิดโทษเกิดอันตรายมากขึ้นสิ่งเหล่านี้ถ้าจะว่าไปมันก็มีไปก็ไม่เสียหายน ะ, ะพรหมน้ำมนผันสายศิลมียันรู้ยอเครื่องเนี่ยแต่ว่าอย่าให้มันมาบดบังหรือทดแทนสติและปัญญาเพราะว่าคนเราในยามวิกฤตเนี่ย สิ่งที่จะช่วยเราได้อย่างแท้จริงเนี่ยคือสติและปัญญามากกว่าส่วนสิ่งศักดิ์สิทธิ์วัตถุมงคล น, นั้นนะเป็นรองหรือเป็นตัวช่วยมากกว่าในทางตรงข้ามถ้าไม่มีสติไม่มีปัญญาหรือว่าปล่อยให้สิ่งเหล่านี้มาบดบังสติปัญญาแล้วตนเกิดความประมาทวัตถุมงคลเหล่านั้นก็สามารถจะกลายเป็นโทษ นะเร่งทำให้เกิดเหตุร้ายได้เร็วขึ้นก็ได้ไม่มีสิ่งเหล่านี้แต่ถ้ามีสติมีปัญญาแม่้เกิดเหตุร้ายนะก็ยังสามารถที่จะรักษาตัวให้รอดได้อย่ามีครอบครัวนหนึ่งนะพ่อแม่ลูกเนี่ยนะนั่งรถไปต่างจังหวัดครอบครวนี้ก็มีคนขับรถนะซึ่งก็อายุพอสมควรแล้ว60 ระหว่างที่ขับรถไปต่างจังหวัดเนี่ยนะตัวสามีก็นั่งอยู่ข้างคนขับรถส่วนภรรยาและลูกน้อยนี่ก็นั่งอยู่เบาะหลังระหว่างที่กำลังขับรถความเร็วสูงเนี่ยบกว่าคนขับรถเกิดหัวใจวายกระทันทันเลยนะ ฟุบเลยบอกคนในรถตกใจกันเพราะว่ารถนี่ความเร็วนี้ก็เหยียบร้อยนะและนึกภาพนคนขับรถเนี่ยเกิดหัวใจวายแล้วอาจจะตายไปแล้วก็ได้ขณะที่ท้านี่ก็เหยียบคันเร่งมิดเลยทำยังไงดีนะ จากก็ดีนะที่สามีภรรยานเนี่ยมีสติไว้นะทีแรวก็ตกใจแต่ว่าเรียกสติกลับมาได้เร็วก็คิดหาหนทางนะว่าจะทำยังไงถึงจะชะลอรถได้แล้วเกิดมีความคิดขึ้นมานะว่าออต้องขยับบบอนะต้องเลื่อนบอกรถของคนขับรถพอเลื่อนบบอนะ ของคนขับรถเนี่ยเท้าที่เหยียบคันเร่งจนมิดเนี่ยมันก็ค่อยคลายตัวนะรถก็เลยเริ่มจะชะลอแล้วก็เปิดช่องให้ตัวสามีเนี่ยหรือผู้ชายที่นั่งอยู่ข้างคนขับรถเนี่ยสามารถจะยื่นเท้าเนี่ยไปค่อยๆเหยียบเบรกจนกระทั่งรถเนี่ยหยุดได้ในที่สุดอย่างปลอดภัยข้างทาง นี่ถ้าเกิดว่าคนในรถขาดสติกันไปหมดนะแม้ว่ารถนั้นจะมีอ่าพระที่ก็ถือว่าศักดิ์สิทธิ์หรือว่าตัวคนในรถจะมีพระเครื่องที่ราคาแพงแต่ถ้าขาดสติแล้วนี่ก็อาจจะลงเอยด้วยอ่า อุบัติเหตุรถอาจจะคว่มหรือว่าไปชนสาไฟฟ้าเกิดบาดเจ็บล้มตายขึ้นมาแล้วกรณีนี้นยไม่มีใครตายไม่มีใครบาดเจ็บนะไม่ใช่เพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะแต่เพราะสตินะเพราะหลวงพ่อสติมากกว่าหลวงพ่อสตินี่ช่วยทำให้สามารถใช้ปัญญาแก้ไขเหตุการณ์ ที่ปัจจุบันทันด่วนได้จะมีภรคเครื่องที่ขลงังศักดิ์สิทธิ์วัตถุมงคลที่ศักดิ์สิทธิ์ยังไงเนี่ยะนะมันก็ไม่สำคัญแต่ว่าการมีสติมีปัญญารือเพราะในช่วงที่วิกฤตในช่วงที่ครับขันจะมีก็ไม่เป็นไรแต่ว่า อย่าให้มาบทบังหรือมาทดแทนสติและปัญญาเพราะสติและปัญญานี่แหละนะเป็นธรรมนมประเสริฐนะที่สามารถจะช่วยคนเราในยามวิกฤตได้ที่จริงมันก็เป็นธรรมดาที่คนเราเนี่ยจะมีความเชื่อในเรื่องของวัตถุมงคลสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเรื่องโชคเรื่องลามเรื่องลามเออเรื่องลา มันเป็นธรรมดาของมนุษย์ปุถุชนนะที่ย่อมมีความคิดความเชื่อในเรื่องนี้แม้ว่าจะเรียนสูงแม้ว่าจะมีความรู้มากนะแต่ว่ามนุษย์เรามันก็มีจุดอ่อนตรงนี้แหละก็คือมีความเชื่อเรื่องพวกนี้อยู่ไม่มากก็ น, น้อยแม้แต่นักวิทยาศาสตร์นะที่ฉลาดปราดเปรื่องอัจฉริยะเนี่ย มัจจะโนไม่น้อยนะก็มีความเชื่อเรื่องพวกนี้นะเมื่อสักร้อยปีก่อนเนี่ยมันมีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งนะซึ่งก็ถือว่าเนี่ยฉลาดปราดเปรื่องมากนะไม่ใช่แค่คนเดียวนะ่าหลายคนนะคนหนึ่งก็คือวูฟกังพลีนะเป็นชาวออสเตรียแล้วเพื่อนร่วมกลย่าของเขานนี้ก็ฉลาดทั้งนั้นนะเป็นเรียกว่าเป็นบุคคลที่โดดเด่นในวงการวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์โดเฉพาะคนตัมแมคชนิกเนี่ยเช่นพอลดิรักหรือว่าเวอเนอร์ไฮเซนเบิร์กพวก น, นี้ได้รางวัลโนเบลกันทุกคนนะแล้วก็ปราดเปลืองมากนะตั้งแต่อายุยี่สิบกว่านี้ก็สามารถที่จะคิดค้นทฤษฎีที่ปฏิวัติ ว, ตวงการฟิสิกส์ได้ทั้งหมดนี้นก็ ไอน์สไตน์ก็ยกย่องมากถึงแม้ว่าอ่ทฤษฎีของกวนนี่เนี่ยนะเขาจะแตกต่างจากทฤษฎีสมตรติภาพของไอน์สไตน์กวนนี่เนี่ยนะเรียกว่าฉลาดในยุคฉลาดที่สุดในยุคของเขาแล้วก็เข้าใจปรากฏการณ์ของโลกอย่างทะลุปลุกปลงก็ว่าได้โมาทั้งชื่อว่าเนี่ย มันไม่มีพระเจ้าหรอกทุกอย่างเปลี่ยนไปตามกฎธรรมชาติกฎฟิสิกส์แต่ว่าลึกๆนะบางคนกลุ่มนี้ก็เชื่อนะเรื่องความเห็งหรือความสวยนะอย่างเขาเชื่อว่าเนี่ยวูฟกังพอรีเนี่ยเวลาอยู่ที่ไหนเนี่ยมันมักจะเกิดเหตุที่ไม่ค่อยดี อย่เช่นเวลาวูฟกังเข้าไปในห้องนี้ก็จะมีของตกแตกหรือว่าอุปกรณ์เกิดไม่ทํางานบางคนเนี่ยบางทีกาลังทดลองเิทยาศาสตร์อยู่ปกติเครื่องคราวอุปกรณ์ต่างก็ทํางานได้ดีแต่จู่ๆก็ทํางานไม่ได้ขึ้นมาเกิดเสียก็สงสัยเป็นเพราะอะไรนะแล้วก็มีคนหนึงบอกว่าสงสัยเนี่ยวูฟกังผ่อนเลี่ยมอยู่แถวเนี้ย ก็จริงด้วยนะอยู่หน้าตึกนะแค่มาโผล่อยู่หน้าตึกก็ทำให้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์เนี่ยบางชิ้นไม่ทำงานเคยมีคนจะแกล้งวูฟกังนะถ้าเข้ามาในห้องเนี่ยก็จะทำให้สลักบางตัวมันทำงานแล้วก็มีของตกลงมาจากเพดานเวลาทดลองก็ได้ผลหมดนะแต่เวลาวูฟกังเนี่ยเข้ามาในห้องจริงๆบอกว่าสลักไม่ทำงาน แผนเสียหมดเลยคนก็เลยเชื่อว่าเนี่ยวูฟกังที่เป็นตัวสวยนะจกนกระทั่งเพื่อนนะวิทยาศาสตร์บางค น, นะ เ, นเนี่ยอเช่นออตโตสเตอร์เนี่ยซึ่งคนที่ได้รางวัลโนบเบลขอร้องเลยนะวูฟกังเนี่ยเวลาเขาทดลองเลยอย่าเข้ามาในห้องนะเพราะเดี๋ยวมันจะไม่สำเร็จเดี๋ยวมันจะไม่เป็นไปดังแผนแล้วพวกนี้ก็เชื่อนะวูฟกังก็เชื่อนะว่ามันมี มันมีความสวยมันมีสิ่งเหล่านี้อยู่นะวูฟกังเป็นตัวสวยทั้งที่พันหลังก็ได้รางวัลโนเบลนะแต่ก็เชื่อในวงการของเขาว่าเนี่ยวูฟกังเนี่ยเป็นตัวสวยนะมันก็แปลกนะนักวิทยาศาสตร์ที่ฉลาดปราดเปรื่องนะแล้วก็ค้นพบกฎธรรมชาติที่ลึกซึ้งเช่นควอนตัมแมกนิกเนี่ย แต่เชื่อเรื่องความเหงิหรือเชื่อเรื่องความสวยซึ่งมันไม่มีคำอธิบายเลยอธิบายปรากฏการณ์ที่เล็กที่สุดในระดับอะตอมได้แต่อธิบายไม่ได้ว่าทำไมรูฟกองนี่มันจึงเป็นตัวสวยนะแล้วก็เชื่อจริงจริงนะแต่ว่า ง, งมงาย ก, ก็ก็อาจจะได้นะแต่เขาบอกว่าเนี่ยมันไม่ใช่งมงายมันจริงเลย วุ้กังมาทีไรนี่เดี๋ยวต้องมีอะไรติดขัดนั่นแหละไม่ของตกแตกอุปกรณ์ก็เสียแล้ววุ้กังต้องโยง่ห่างอ น, นี้ก็มันสะท้อ น, นว่ามันเป็นธรรมดานะของคนเราแม้จะเป็นนักวทยาศาตรที่ฉลาดปราดเปื่องยังไงนะไม่เชื่อพระเจ้านะแต่ว่าก็ยังเชื่อว่ามันมีความเห่งหรือความสวยนะ หรือมีความเชื่อเรื่องตัวสวยอันนี้มันสะท้อนเห็นมนาะคนเราเนี่ยมันก็ตัดได้ให้เ ป, ป็นปุตตชนเนี่ยก็ต้องมีความเชื่อเรื่องพนี้แหละเรื่องคือเราจะเรียกลมรวมว่าไสายศาสตร์เรื่องสิ่งลี้ลับจะเรียกว่าความเพ่งความสวยหรืออะไรก็แล้วแต่แต่แม้วม่ามนุษย์เราเนี่ยจะปฏิเสธสิ่งนี้ไม่ได้นะว่ามันก็มีอยู่ในใจของปุตุชนทุกคนเนี่ย แต่ว่าเราก็สามารถจะเลือกได้นะว่าจะให้มันเป็นใหญ่เหนือจิตใจของเราได้ดรหรือเปล่าแม่สชอวพูดเนี่ยนะจะเชื่อหรือไม่มากหรือน้อยก็แล้วแต่แต่ว่าสิ่งสำคัญคือความมีศรัทธาความมีความมั่นใจนะในในธรรมะในสติในวิริยะในปัญญาอย่างที่พูดไปแล้วเมื่อวา น, นความมั่นใจในสิ่งเหล่านี้เนี่ย มันสำคัญกว่านมันมีผลมันให้ผลที่ที่ที่ปรากฏชัดได้มากกว่าและมันก็ช่วยเราให้เราเนี่ยพ้นจากความถูกได้แล้วยิ่งคนเราเนี่ยถ้ า, าว่ามีความมีปัญญาในระดับที่จึดมั่นถือมั่นน้อยเท่าไหร่ปล่อยวางได้มากเท่าไหร่เนี่ย ในความเชื่อล่งพวกนี้มันก็จะมีอิทธิพลต่อจิตใจของเราน้อยลงนะหมายถึงความเชื่อเรื่องความรวยความความเฮงเนี่ยในความเชื่อเหล่านี้มันมีอิทธิพลได้เมื่อคนเราเนี่ยมันมีความยึดมั่นถือมั่นในเรื่องของความสําเร็จนะอยากได้อยากรวยอยากมีอยากสําเร็จอยากเด่นอยากดังถ้ามันมีความยึดความอยากตรงนี้มากเนี่ยมันก็จะ มีความกลัวว่าจะไม่ได้มีความกลัวว่าจะไม่ไม่เด่นไม่ดังไม่สำเร็จแล้วพอมีความกลัวเรื่องพวกนี้เนี่ยมันก็ยิ่งทำให้เชื่อเรื่องโชคเรื่องลางมากขึ้นเพราะว่ากลัวว่าจะไม่สำเร็จกลัวว่าจะไม่ได้แต่เวลาทำอะไรเนี่ยถ้าเราไม่มีความยึดมั่นนะว่าจะต้องได้จะต้องสาเร็จ ทำไปตามเหตุตามปัจจัยใอ้ความหวั่นไหวว่าจะไม่ได้ไม่สำเร็จมันก็จะน้อยลงซึ่งก็ทำให้เราเนี่ยหวั่นไหวในเรื่องของโชคในเรื่องของในเรื่องของความเฮงความสวยเนี่ยน้อยลงจะได้หรือไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอให้ทำเต็มที่ซึ่งจะเกิดขึ้นได้เพราะเราทำด้วยใจที่ปล่อยวางไม่ยึดมั่นในความมีความได้ ความเด่นความดังความสําเร็จไอเรื่องโชคเ ร, เรื่องเรื่องลาบไอเชิงเรื่องโชคหรือว่าความเฮงความสวยเนี่ยมันมีที่ผลต่อคนเราได้เพราะมีความยึดถือมั่นในสิ่งเหล่านี้แหละความร่ำรวยความสําเร็จหรือว่าการประสบโชคและยิ่งถ้ามีธรรมะในระดับที่ว่าสามารถจะเปลี่ยนทุกข์ให้กลายเป็นธรรมได้เนี่ย คนเราก็จะกลัวทุกน้อยลงคนเราเนี่ยมันไม่เชื่อเรื่องโชคเรื่องลาภเพราะว่าลึกๆมันกลัวกลัวทุกข์นะกลัวความสูญเสียกลัวความเจ็บป่วยหรือไม่ยังกลัวความตายแต่ถ้าคนเราเนี่ยเชื่อว่าเนี่ยทุกเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นธรรมได้และมีความสามารถในการที่จะเปลี่ยนทุกข์ให้เป็นธรรมไม่ว่าจะ ความทุกข์น่าจะเป็นความเจ็บป่วยความสูญเสียหรือแม้แต่ความตายก็เปลี่ยนให้เป็นธรรมได้อย่างที่ทราอาจารย์พุทธาเตือนว่าเนี่ยหรือสอนว่าเนี่ยความเจ็บไข้ามาเตือนให้เราฉลาดความสูญเสียก็มาทําให้เราเห็นหรือเข้าใจในเรื่องความจริงที่ว่าไม่มีอะไรที่เป็นของเราแต่ที่จริงแล้วเนี่ยสิ่งที่เรีว่าความตายมันก็มันก็แค่สมมุติ มันอาจจะมีความตายแต่มไม่มีผู้ตายและถ้าพิจารณาจริงๆไม่มีแม้กระทั่งความตายมันมีแต่แค่การเปลี่ยนสภาพเท่า น, นั้นเองเหมือนกับดักได้ที่เปลี่ยนสภาพไปเป็นผีเสื้อนะหรือเมฆที่มันเปลี่ยนสภาพกลายเป็นหยดน้ำพอมีปัญญาแบบนี้เนี่ยมไม่กลัวเรื่องความตายแล้วก็พร้อมที่จะเปลี่ยนทุกข์ให้กลายเป็นธรรมเจอทุกข์ก็เห็นธรรมอย่างที่หลวงพว่อามเขียนว่าเนี่ย เห็นทุกข์ก็พ้นทุกข์นะถ้าคนเรามีปัญญามีสติเนี่ยจนกระทั่งมั่นใจว่าเห็นทุกข์ก็พ้นทุกข์หรือว่าเห็นทุกข์ก็เปลี่ยนเป็นธรรมได้เนี่ยมันก็ไม่หวั่นไหวนะเห็นเรื่องความเหง่หรือความสวยสิ่งเหล่านี้มันก็จะมีอิทธิพลต่อชีวิตของเราน้อยลงก็ทำให้เราสามารถที่จะดำเนินชีวิตด้วยสติด้วยปัญญาได้ อ้ก็จริงอยู่นะคนเราก็ต่าบใดที่เป็นปุุ้ชนก็ต้องมีความเชื่อรวมปุณิบัติบางไม่มากก็ น, น้อยเรื่องโชคเรื่องลางเรื่องความเฮงความซวยเนะีเรื่องสิ่งศักดิก์สิทธิ์ที่อธิบายไม่ได้แต่ว่าถ้าเรามีสติมีปัญญามากเท่าไหร่ให้ความเชื่อเรานี่ก็จะมีอิทธิพลต่อจิตใจเราน้อยลงแล้วทำให้เราเมีความโปร่งความเบาได้มากขึ้น เพราะเราไม่หวั่นกลัวนะไม่หวั่นกลัวทุกเพราะเราสามารถที่จะเปลี่ยนทุกข์ให้เป็นธรรมได้แล้วเราก็ไม่ได้อยากได้ใครดีอะไรเพราะรู้ว่ามันก็ยึดมั่นถือมั่นไม่ได้สิ่งนี้แหละที่ทำให้เราเป็นอิสระอย่างแท้จริงอิสระด้วยธรรมนะไม่ใช่ตกอยู่ในอำนาจของความเชื่อทานองนี้